คนอา่นอานกูอ่านไม่มามาแล้ว สราอัลซาฟัตอายาที่หนึ่งรอยยี่สิบสามอัตตะอนับไปลาลออ่านไปถึงหนึ่งรอยี่สิบเก้า s ชี่ยวแกร่งรจีน وإن i ل ّ ا, إ س ل ّ a المرسلين وإن إلّا س ل م ر س ق تقول. اتدعون ب ع ل و بعلا وتذرون أحسن الخالقين. الله الله ربكم ورب آبائكم الأولين. إلا عباد الله المخلصين و ت ر ك ت ا ل ي ه ف و ت ر ك ن ا عليه في الآخرين ดสาัลลีมอินสัส ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا نضل له وما يضل ل ا فلا هدي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الله مبك أسبحنا وبك أصينا وبك نحيا وبك نموت وإلا كان نشور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 อัลลัฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮ ل อัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลลอฮัอััลัลอ ติดตามรายการตับเซลกรานที่นั่งอยู่ที่บ้านของท่านและที่อยู่ที่ตลาดนะครับทามาค้าขายอยู่ที่ตลาดอัลฮัมดุลิลละก่อนดื่มเราต้องชุขก ต, ต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ ت ع ا ลาแล้วก็นึกถึงอัลลอฮเยอะๆสุขภาพจะแข็งแรงสุขภาพทุกคนอยากมีสุขภาพแข็งแรงด้วยกันทุกคน นักวิทยาศาสตร์ก็แนะนำให้ออกกำลังกายให้เดินวันละอย่างน้อยก็ประมาณหมื่นเก้าแล้วก็ทานผลไม้แล้วก็ทานปลาแต่เพราะอ่านจักรวรรดจะให้สุขภาพแข็งแรงสิ่งที่สำคัญที่สุดทำให้หัวหัวใจสงบก่อน มือเบอร์หนึ่งเลยครับหัวใจสงบอยู่ในการพิจารณาเรียกว่ า, วาสกีนะหรือว่าต่อมาอันนี้ใจสงบกุณอานอธิบายครับอัลบ mm ิซขลิลลาฮิตัตมาอินอลโกลูจงรู้ไปเถิดว่าโดยการรำลึกถึงอวะลเท่านั้นแหละทำให้หัวใจสงบ พ, พอหัวใจสงบทำให้ร่างกายแข็งแรง ถ้าได้ออกกำลังกายด้วยเดินด้วยอย่านอนแล้วก็เลือกทานอาหารที่เป็นประโยชน์เช่นทานปลานมากหน่อยถ้าเราเป็นผู้ใหญ่ใช่ั้ยแล้วก็ทานผักแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆช่วยได้ครับแต่สิ่งแรกก็คือทำให้หัวใจสงบด้วยการรำลึกถึงอลัลลอฮ์ก่อนเพื่ออะรดเดียวซาบานนบีไม่มใคยป่วยแล้วก็น บ, นบีไม่ได้ป่วย ที่ท่า น, นาบดเสียชีวิตตอนอายุห3สิบสามเนี่ยเพราะหมดอะไรหมดหน้าที่อย่างนี้เป็นต้นท้งพระต้องตำพอใจว่าอ่านคุร า, านซิกรุลลอห์ลำลึกถึงอัลลอ์อยู่กับอัลลอ์นะ้นทำให้หัวใจสงบพอหัวใจสงบร่างกายก็สงบด้วยเรื่องที่สองอยากจะคุยตรงนี้ก่อนที่จะอธิบายคุรานอาบน้ำยังไงทำให้ร่างกายแข็งแรง บางคนอาบน้ำยังป่วยอาบน้ำแบบไหนอาบแล้วป่วยนึกถึงสุนทรนะบีก่อนจะอาบน้าให้ร่างกายแข็งแรงเนี่ยท่านนาบีสอนนะครับแบบอาบน้ํายูนุปไม่ว่าท่านทั้งหลายจะอาบน้ําไปทํางานอาบน้ํากลับตัวทํางานให้อาบน้ําแบบน้ําันนาบัาทุกครามไป อาบน้ำอย่างนี้พอเข้าห้องน้ำโดยดัวโดยเท้าเท้าอะไรเท่าซ้ายล้างอวัยวะเพศก่อนทุกครั้งไปฟอกสบู่ให้เรียบร้อยแล้วอาบน้ําน้ำมาบแปรงฟันก่อนแล้วอาบน้ําน้ำมาบแล้วก็ค่อยอาน้ําะไรรูปทิศต้องอาบน้ำน้ามาก่อนถ้าอาบน้ําแบบนี้สุขภาพแข็งแรงป้องกันโรคอัมพฤกษ์ได้ด้วย เห็นหลักการอิสลามที่เราให้มาเนี่ยดีทั้งหมดแล้วก็ดื่มน้ำยังไงดื่มแล้วร่างกายแข็งแรงต้องดื่มน้ำตามสุนันาดีอย่าดื่มแบบอูดหรือแบบอะไรนะเราเลี้ยงควายกันมังไงแ บ, บแบบควายนะพอเอาหัวจุ่มลงไปในกระป๋องเนี่ยถ้าไม่หมดกระป๋องมันจะเงยไหม นั่นคือควายถ้าเรานี้เป็นมุสลิมใช่ไหมนะ่ะเรามองแบบจากท่านนาบีเรามาได้มองแบบจากจากแพะแกะวัวควายใช่ไมท่านนาบีสอนยังไงเดินตามนาบีให้หมดทุกเรื่องพี่น้องดื่มน้ำตามนาบีดื่มที่ละอึกทำเลือดเลือดละอร่อยด้วยเห็นยังครับ อาบน้ําตามนาบีดื่มน้ําตามนาบีนอนตามนาบีเอานอนแล้วสุขภาพดีนอนยังไงอ่ะนอกจากว่าข้ามแล้วก่อนนอนให้มีน้ํำนามาด่อนคนที่นอนแล้วมีน้ำนามอาดนี่นบีสอนเองนะครับมีมาลกยกามายืนขอดูอาให้ตลอดทั้งคืนเอาได้ไม่เอามาลกยกามาขอดูอาให้เรานะไม่ใช่โต๊ะอิหมัามมาขอนะ นี่มาลายิกาของอวโลกขออุทิศให้คนที่นอนหลับเนี่ยไม่เอาแหละทําปเลยแล้วแล้วก็ต้องการจะให้มาลายิกาขอดูอาให้เราเนี่ยอิสติฟารตให้เราเน่ยมีอยู่สามสี่เรื่องเรื่องที่หนึ่งนี่นอนโดยการมีน้ําน้ำมา ก, ก่อนสองนั่งอยู่ในมัสยิดสามออกจากบ้านไปเยี่ยมคนป่วยไปเยี่ยมญาติพี่น้องเราเนี่ยตงไปแนะนำอวโลกนะ มาเลค้าขออุทาศให้ตลอดเลยตัวทัางเดินทางกลับแล้วคนที่ชอบบริจาคเนี่ยต้องนึกนะท่า น, นบริจาคเูื่ออัลลอฮ์เนี่ยทาให้มาลค้าจะขอดุอาให้ตลอดเวลาเลยเไปสามเสียเรื่องก่อนเดี๋ยวค่อยๆเติมเรื่องน้อยละน้อยแต่จำลืมหลักในแรกนี่คืออิสลามเพราะอันอิสลามล้วส บ, บายใจนี่ก่อนที่จะม า, น า, เ, า, นา เ, เนี่ยเปิดกุณอ่านผเปิดพับเนี่ยผมเจอเลยเอาไลน์ฟังก่อนเดี๋ยวก็ลืม ท่านซาอิสเบนจูเบลแต่เล่าบอกว่ า, วามีชายคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปในสวรรค์พอเข้าไปแล้วก็ถามถามมาร้องบอกว่ า, วาพ่อฉันอยู่ไหนล่ะแล้วก็โต๊ะฉันน่นแชร์ฉันอยู่ไหนอ่ะแล้วก็แม่แม่ฉันอยู่ที่ไหน แล้วลูกฉันอยู่ที่ไหนแล้วลูกสาวฉันอยู่ที่ไหนแล้หลานฉันอยู่ที่ไหนข้าพเจ้าสวรรค์ไม่มีใครเลยเนี่ยโม่พ่อไม่มีแม่ไม่มีโต๊ะไม่มีแช่ไม่มีลูกก็ไม่มีหลานก็ไม่มีกขาถามอยู่ไหนอะ่ะก็มีคามําตอบว่าเขาทํางานความดีไม่เท่าคุณ แล้วก็ตอบว่าฉันเนี่ยนะทำความดีเพื่อตัวฉันแล้วก็ฉันก็ทําดีลราขอมาให้ลูกฉันด้วยให้โตฉันด้วยให้พ่อฉันด้วยฉันก็ตักเตือนเขาอบรมเขาเตือนเขาแล้วแล้วอเลาก็บอกเอาลูกหลานเข้ามาบ่นเลยเลยอ่านกูอ่านอธิบายอย่างนี้นะครับฟไฟกูลูวันลาวินาอามานูเนศรุกศรา น, นนะในศรัทธ์ตูดอ่าศรัทธ์ตูด ข้อรตูที่ห้าห้าิบสไปเปิดดูนะและอายาที่ี่สิบเอ็ดวันรนอามานุวัตตาบัตุหุมจุรียาตุหุมบีอิมาเห็นไหมสั้นสั้นแท้จริงผู้ที่อิมานต่ออัลลอฮ์ก็อิมานราซูลนะนะอมานอัลลอฮ์อิมานราซูลแล้วก็และลูกหลานของพวกเขาได้เจริญ รอยตามพวกเขาในการศรัทธาต่อ Allah คืออ ي م ا ن ต่อล l l a h กันหมดแต่อัมมันสอตย์ละอาจจะน้อยมั่งอะไรบ้างไม่มีปัญหาใช่ไหมเตือนแล้วบอกแล้วบางทีลูกบังคนมันก็ดื่มมีใช่ไหมล l l a h ให้อยู่ด้วยกันหมดเลยในสวนสวรรค์พอพอใจยังทำดีละผมอ่านแล้วมีแรงแล้วทำดีแล้วจะลงว่าลูกหลานเราเนี่ยได้อยู่กับเราหมด ข้อดีคนเดียวนะ่ะเห็นนะั้นดึงเข้าอีกบิคคนนะ่ะฉะนั้นรักษาศาสนากันไว้ในะยาทิ้งศาสนาของอัลลอฮ์พยายามอ่านกุรานสม่ำเสมอนมานยาคาตแล้วก็บริจาคสม่ำเสมอขอดุอาสม่ำเสมอสิกรุลลอฮ์สม่ำเสมอติดต่อกับเครือญาติสม่ำเสมอแล้วก็ให้อภัยกับคนทุกคนที่เขาดา่าเอาว่าเราแบบนบีแบบบาซาบานนบีเขาอยู่ยังไงอะ ว่าพอใจหมนเลยยกเว้นว่าลูกหลานเราเนี่ยเราก็ต้องเตือนนะต้องอบรมนะในเขาวสวรรค์หมดอิชอัลลอฮฺตโตเราแช่เรามักเราย่อเราฮะขดีลัยอามารีมอาอายที่ว่อินนาอิลยาามีนัลมุรซาลีนี่เรียนแล้วนี่ขอที้แล้วจะวล่าไม่หระกจ่ไหมอคุณมาอีกที น, น, นะนะ วายนอิลยาสัลามิณัลมุรซัลีนและแท้จริงอิลยาสอิลยาสที่มาจากนบีนะ <laughs> นบีอิลยาสเนี่ยลามิัลมุรซลีนอยู่ในหมู่ผู้ถูกส่งมาส่งมาทำอะไรรู้ไหมมาเผยแผ่ อ, อิสลามมาทางานศาสนาอิสลามอย่างแน่นอน น้องนึกทํางานศาสนาเนี่เป็นงานที่ประเสริฐที่สุดแล้วนะไม่มีใครในโลกที่จะได้รับรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์มากเท่ากับมีหัวใจแล้วก็อุทิศตัวเองหรือว่ากลับตัวเองเนี่ยเพืทํางานศาสนาของอัลลอฮ์แบบบรรดา น, นาดีทั้งหมดแต่เราทำไมไม่ไม่เท่านาบีหรอกแต่หัวใจมันอยากจะปฏิบัติตามนาบีแ ล, แล้วน่อัลลอฮ์เล่าในคัมภี์กุกรอานให้นบีมุฮัมมัดฟังอ่ะฉันเนี่ยได้ส่งอิลยาสมา ถามว่าอินย่สเนี่ยลูกหลานใครลูกหลานนาบีฮารูนอ่าเป็นลูกหลานของนบีฮารูนนบีฮารูนอ่ะเป็นพี่ชายใครพี่ชายนาบีมูซาอะลัยฮิสลามเหมนไหมนี่มันครอบครัวนบีอิสฮะมุลเลยนะเ ไ, ไหมบรรฑิสอิสลามทั้งหมดนั่นแหละอ่าแค่ที น, นี้อินยาสมาเนี่ยมาสอนสาศาสนาเนี่ย พวกพวกเขาดินะประชาชนในกลุ่มของเขาเนี่ยบูชาอะไรรู้ปะดูชาจเจวิาบูชาจเจวิตน บ, บีอิ ญ, ญาตก็ามาสอนสอนสอนสอ น, สอนก็ก็เชื่อนะบีมูสุเบอร์อิ ญ, ญาเชื่อกันหมดแล้วต่อมาตกมุตตากันหมดเลยอ่ะตกมุตตาจันหมดเลยแล้วก็ยืนหยาดในความผิดต่อไป อาจจะไอ้มาจอมาไอ้นบีอินญาตก็เลยทําไงดีอ่ะก็ข อ, ขอตัวรออัลลอฮฺอัลลอฮฺจะเตือนพวกนี้ให้มันได้สานึกตัวหน่อยอัลลอฮฺไม่ให้ฝนตกมาประมาณสามปีไม่ให้ฝนตกสามปีในอยู่แย่มั้ยแย่ที่น้าไม่ไม่มาเลยไนงะแล้วก็ต่อมาอินบบ ญ, ญาตก็เขาก็คือก็ขอตัวอ้าแล้วนะ อัลลอฮ์จะดทดสอบอะไรกับพี่น้องก็ไม่ยอมเปลี่ยนน่ะก็เลยหนีก็ไปแต่ในคมพีเตอรออธิบายบอกว่าอัลลอยกนบีอิน ญ, ญาฮิขึ้นบนบันชั้นฟ้าเหมือนกับนบีอะไรนะอิสซาอะไรอิสลามแต่กุลอานไม่ได้พูดเอาไว้เราแตะแค่นี้พอเพราะกุลอานไม่พูดถึงนบีอิน ญ, ญาฮเรื่องอะไรบ้างแต่ว่ามาสอนศาสนามาสอนเรื่องเต่าเทศ ให้พักดีต่ออัลลออย่าเคารพสิ่งอื่นใดนอกจากอัลลออย่ากก้มกราบลูกอนะไรนั้นเวตต่างๆแค่นั้นพอแะละ้วจะขึ้นขึ้นฟ้าแบบนบีอะไรนั้น น, ะนบีอีซาเรามต่ออธิบายเยอะเพราะกูอ่านไม่ได้แนะนำเอาไว้เพื่อความปลอดภยัยของเราเองนะต่อมาครับต่อมาครับอายะที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่นะครับ อิฟกล่าวลีกามิีอาลาตัตกูนอิฟกล่าวลีกาอุมิฮีอาลาตัตะกูุนน บ, บีอิลยาสเนี่ยได้พูดนะครับได้เชิญชวนกล่วลว่าพูดหรือเชิญชวนหรือดาว่านะลเกามิฮแก่หมู่ชนของเขาหมู่ชนของเขาในชื่อหมู่ชนซามเมีย ซาเมียนะครับบอกว่า阿拉ตัตะคุนทาไมโอ้พี่นอ้องของฉันเอยทําไมจึงไม่พักดีต่อ AH? อัลลอฮ์อ่าทำไมจึงไม่กราบอัลลอฮ์ทำไมจึงไม่กลัวอัลลอฮ์ไปกราบก้มลงกราบเจเวดแ้่เจเวดนี่ชื่อไนหะชื่อบะลาอ่าตัวเจเวดอันนี้ชื่อว่าบะลา แล้วก็ต่อมาเขาก็เอาเอาเอาเอาคําว่าบะล่าจะเวตเนี่ยมาตั้งเป็นชื่อเมืองต่อมาก็บางบางจะอธิบายอย่างนั้นน่ะมาตั้งชื่อเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นเป็นชื่อชื่อเมืองอต่อมาครับอะยะที่หนึ่งร้อยเท่าไหร่นะยี่บห้า อัตตะเอาณ์บัล ah, ลัตตะดารูณ์อัพสน์ข้าลิกินผมจำไม่ตกอาจจะอ่านยากไปยังไอตะอบลตะรูอนลิกนอตะอบล ว่าจะรูนะอัพ์ขาวหลี่อินอัติดาวนดูอานเป็นอะไรนะพวกเขาวิงวอนอ่าวิงวอนขอต่ออะไรบาลานี่งชื่อมาแล้วเ ห, หมบาลานี่เป็นชื่อจเจวิตออลขอบคุณัล้อนะ กาบชเวเนี่ยเอารอมีมา น, นานอย่างน้าแล้วแล้วพวกไหนพวกบนนี้อิสรอินทั้งหมดยิวทั้งหมดนี่แหละไอ้เล่าแบบนี้นะทําให้ยิวไม่พอใจเองเอาเรื่องของฉันมาเล่าทำไมในคัมภีร์อัลกุรอานทำานีอย่างครับเนี่ยยิวไม่พอใจนี่จะจะอ่านจากหนังสือหลายๆเรื่อจะเจอบอกว่าพวกยาฮูดีเนี่ยไม่ค่อยพอใจ ทำไมต้องมาเล่าให้นบี ม, มุ hammad มฟังทำไมมันเรื่องของฉันเรื่องพวกฉันกลุ่มของฉันมาเล่าให้กลุ่มอาหรับฟังทำไมมันยะฮูดีเนี่ยมันก็อยู่ในกลุ่มยะฮูดีใช่ไหมนี่แฉเรื่องไม่ดีไม่ดีให้กับ ม, มุ hammad มฟังหมดเลยอาหรับใครอาหรับก็ลูกที่ชายตัวเองเนี่ยนบีอะไรนบรีอิสมาอินลืมพวกนี้ลืมอ่ะประจานนะดีกัตัว อาตาดาวบาลาพวกท่านเนี่ยวิงวอนขอต่ออะไรนะต่อจเจวะนะครับชื่อบาลาหรือบะแล้วต่อมามาตั้งชื่อเป็นเมืองบาลาบักกาบาลาบักกาตั้งชื่อเป็นเมืองบาลาบักกาในตัวฮะดิฐษอธิบายอย่างงี้นะ วะตาจารูนะอัพรนัลขอลิกินตาจารอเนี่ยตาจารูแปลว่าได้ทิ้งได้ทิ้งได้ตัดได้ปล่อยหันหลังให้ไม่เอาน่ทิ้งใครหรือเปล่าหันหน้าไปหาจเจวทที่ชื่อบะละแล้วก็ทิ้งอะไร อาลคนแล้วก็ได้ละทิงอ์ันแปว่าดีที่สุดอนี่นั้นแปลว่าดีที่สุดในตัศวิอธิบายว่าหนึ่งอัรฟประเสริฐที่สุดอัคมันสมบูรณ์ที่สุดอัจมันบิวติูลสวยที่สุดคําว่าอัษฎ์นี่มีสาความหมายอันหนึ่งประเสริฐที่สุด ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนะครับคุณทิ้งของที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดสวยที่สุดใครอัลโคไลกีนผู้สร้างทั้งหลายผู้สร้างทั้งหลายที่ดีที่สุดผู้สร้างทั้งหลายที่ประเสริฐที่สุดผู้สร้างทั้งหลายที่อะไรที่ประเสริฐที่สุดคุณไม่เอาไปเอาบาลันที่คุณทำด้วยมือของคุณเอง ไปทิ้งผู้ที่สร้างที่ดีที่สุดหมายถึงใครอัลลอฮฺสุบฮานาหูจัดาเนี่ยอลัลลอฮ์ชาชัายภาษาแทนจะพูดว่าทิ้งอลัลลอฮ์จะไม่พูดพูดยังไงนะอ ال ัลฮานัลคอรีกินผู้สร้างที่ดีที่สุดรู้ไหมสร้างอะไรอ่ะรู้ไหมสร้างอะไรสร้างชั้นฟ้าใครออกแบบสร้างมนุษย์ใครออกแบบ สร้างแมวสัตว์ใครออกแบบเนี่ยแบบสวยๆอย่างนี้บางทีเราโมามกันนะ่ะแล้วต้นไม้เนี่ยใครออกแบบโอ้โหอัจฉริยะสร้างคนมานี่นะเป็นรูปร่างที่สวยที่สุดเลยนะในโลกนี้ไม่มีอะไรสวยเท่า ก, กับมนุษย์แล้วทำเรื่องประเสริฐที่สุดสวยที่สุดทำเรื่องเรื่องมีเรื่องเล่าอย่างนี้ไม่ใช่ล่าเป็นเรื่องจรินงนี่แหละในสมยัยฮารูนเบอช์ซี มีสามีภรรยาคู่หนึ่งเขาชอบกันรักกันมากไปนั่งอยู่ชายอะไรนะชายหาดนะก็พูดชมภรรยาว่าถ้าหากเธอไม่สวยกว่าดวงจันทร์เราสองคนเนี่ยเลิกกันนะตลากเลยเพราะว่าอย่างนั้นเมียก็ผ้าปิดหน้าเดินกลับบ้านร้องไห้ไปหาพ่อพ่อ สามีหนูอย่าหนู อ, อย่าทำไมอ่ะพอถามสามีพูดบอกว่าถ้าหากเธอไม่สวยกว่าดวงจันทร์เราสองคนเลิกกันนี่ภาษาชมนะถ้าชมแบบนายรู้เพราะเขเข้เขเขเขาใจว่าหย่าแล้วอ่าคอลีฟ้าฮารูรชิก็เชิญอาลิมอุลมะ มากันเยอะเลยวันนั้นมาประชุมช่วยตัดสินนี่หน่อยว่าคดีเนี่ยตกหรือไม่ตกที่พูดว่าถ้าหากเธอไม่สวยกว่าดวงจังนทร์เราเรียกขาดออกจากกันต่อรากกันก็งมานั่งกันประชุมกันนละ้ทุกอาเหลี่มอลมุลามะทุกคนบอกว่าตกแต่มีอาเลั่มอยู่คนหนึ่งนั่งเฉยอาท่านว่ายังไง เขาบอกว่าไม่ตกครับก็ อ, อ, อ่านนิงอายานี้นะอ ال ัลนัลคอเลกีก็ใจไหมพออะระอัลลอ์เนี่ยเป็นผู้สร้างที่ดีที่สุดสร้างอะไรสร้างมนุษย์อัลลอฮ์ว่าฉันันมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งถูกสร้างที่ most beautiful สวยที่สุดในโลกไม่มีอะไรที่จะสวยเท่ากับมนุษย์เี้แล้ว ทุกคนเออใช่แล้วกอานาเล็กๆมีอะไรนะจะเรียก่สรอะไรอิมรนอซาุตักวีมแอีกหนึ่งสุร้อยเล็กๆนะเราอามหอนะอินนัลอินซานหวัีวไตุนวัตรีน แล้วก็ดคะรักนั่อินสันฟีอัลซันนตะกุยเห็นมออินสันอซันมนุษย์เนี่ยรูปร่างสวยที่สุดเอาไม่ตกไม่ตกตัวคนเออใช่ใชไม่ตกไม่ตกฉะนั้นอัลล์เนี่ยเป็นผู้สร้างที่ดีที่สุดแล้วก็สร้างอะไรที่ดีคือสร้างมนุษย์เนี่ยเราต้องขอบคุณอัลลอ์ให้เยอะ มองดีนะ่ะตาเรามือเรารอเด็กใครให้ผมนบวกมองเรื่อยนะนี่ยมือเราดีนะสังเกต น, นะฝ่ามือเราเนี่ยขวามือเนี่ยมีเลขสิบแปดเลขเลขเล ข, เลขอารับนะแล้วก็ซ้ายมือนี่มีอารับเหมือนกันแปดกำหนึงเอามาบวกกันเป็นอะไรเก้าสิบเก้าสิบปดอะไรของใครของอัลลอฮฺเห็นยังมันอยู่ในตัวเอ็มหมดแล้วลแล้วคำอยู่เลยอ่ะแปดแต่แค่นี้พอ <laughs> อาตัดนะบัลลาวตาจารูนอัพสันัลขอลิกินพวกท่านเนี่ยวิงวอนขอต่อจเจวิตที่ชื่อบัลลาวตาจารูนะแล้วก็ทิ้งนะแล้วก็ละทิ้งอัพสันัลขอลิกินผู้ทรงเป็นเลิศแห่งบรรดาผู้สร้างการนั่นหรือ คำว่าหรือเนี่ยมาถึงอ้าตัวแรกน่ะอัตตับตลอัลนะอ้าเขาได้เป็นคำถามคุณทิ้งอัลลอฮ์มาประพุอ่อภิบาลผู้ทรงสร้างที่ดีที่สุดกันนั่นหรือในตับเซฟหลายๆเล่มนะครับอธิบายบอกว่าอัลลอฮ์เนี่ยสร้างคนมาดีที่สุดสร้างสัตว์มาออกแบบที่ดีที่สุดออกแบบชั้นฟ้าแผ่นดินออกแบบต้นไม้ออกแบบภูเขาออกแบบมหาสมุทรอัลลอฮ์นี่ใครทําได้ ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ออกแบบมาสวยที่สุดอัลฮ์หมดุลิลลห์แล้วออกแบบมนุษย์นี่ดีที่สุดอัลฮ์หมดุลิลลห์เอาต่อมาครับอายาที่หนึ่งเท่าไหร่นะหนึ่งสองเท่าไหร่หนึ่งสองหกอัลลอฮารอบบุกุมวรอบบบบาอุมุลอาวลน Allah رabbكم ورب آبائكم الأولين a l l a บ رabbكم ورب آبائكم الأولين الحمد لله ต้องการอธิบายคาว่าอะซานังคอเลตินผู้ที่ สร้างที่ดีเลิศนะใครต่อมาอัลลอฮเห็นยังอัลลอมาอธิบายวักต่อมาใช่ไหมอัลลอฮฺอัลลอเป็นผู้สร้างที่ดีเลิศสร้างอะไรสร้างมนุษย์และทุสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้ไม่มีใครสร้างเหมือนอัลลอต่ลาสักคนนึงอุลามาก็แนะนำเวลาเองทําอะไรได้เนี่ยอย่าหยิ่งนะ ทำปากกาได้รูปปากกาหนาะพันนาเบียรันเปอินทดีส์เองม่ได้คิดเองหรอกอัลลอฮ์ให้ทั้งหมดเนี่ยบางคนทำคอมพิวเตอร์อะไรได้ใช่ไหมต้งโทรศัพท์เนี่ยอย่ายิงนะอสานนนข้ล็กนีต้องบองถึงอัลลอฮ์นู น, น, น, นคุณเพียงแต่เอาอะไรเครื่องมือมาประกอบกันเท่า น, นั้นเองของที่อัลลอฮ์ให้บนโลกดุนยาใบนี้เอานูน่นเอานี่มาประกอบกั น, เ ป, น, น, นเป็นนู่นเป็นนี้ทาไมต้อง ลืมพระเจ้ามายืมอัลลอฮ์ทำไมเห็นยังกรับในเตือนนะคุณอ่านเตือนอย่าทําอะไรคนที่มีความรู้เหมือนกันมีสมองดีอะไรดีฉันแน่แบบใครแบบกอรูแบบฟิลอง์แบบฮามาเห็นมไหมล่ะแล้วก็ไปรอดไหมล่ะฉะนั้นอย่าตะกบบอัลลอฮ์อย่าเย่อหยิงอย่าจงหองให้นอบน้อมให้ทอมตัวฉะนั้นคนมานาบุละสัน ก็ไปอเมริกามาไปยุโรปมากลับมาเล่าบอกว่าไปอยู่ในอเมริกาเนี่ยหลายวันไปในยุโรปหลายวันไปพบเขามีนิมารยาตดีนะยืนเข้าแถวขึ้นรถอ่ายืนเข้าแถวแล้วก็ตามแต่เป็นเป็นระเบียบระเบียบมาเจออินเดียเนี่ยโอ้โหไม่มีระเบียบเลยมารยาตงาม แต่ว่าขาด All. อัลลอฮ์นั่นยังมารยาทงามแต่ขาดอัลลอฮ์คนถ้าขาดอัลลอฮ์แล้วนี่นะพอมีความรู้เนี่ยเยอะยิ่งจองของหมดโอ้โหเนี่ยเขาสรุปชีวิตเลยนะเราไม่กล้าเชื่อแต่เขากล้าอ่าจะนั้นคนที่ขาดอัลลอฮ์มีความรู้ล้ขาดอัลลอฮ์อย่างเดียวนี่นะจะตะการ บ, บุญเยอะยิงจองของอวดดีโอ้โหสารพัดมาแต่มารยาทส่วนอื่นนะดีนะ อินข้าวเป็นระเบียบนั่งเป็นระเบียบอะไรแต่ไรมียหบดแต่ว่ามารยาทส่วนอื่นอันนี้ขาดตกบกพอเยอะต่อมาครับอัลลอฮ์รับบุกุมรับบากุมอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของพวกท่านอัลลอฮ์รับบากุมอัลลอฮ์เป็นพระผู้อภิบาลของพวกท่านเห็นอย่างครับ ฟารโร่พูดยังไงรู้เปล่ามันเอาอัลลอฮ์ออกมาใส่อาณาอาณารอบบูกุมอ้ า, อาลอาลอ า, ลานี่กษัตริย์ฟาโร่เห้ยไมขาดอัลลอ์อย่างเดียวเนี่ยตัดอลัลลอฮ์ทิ้งมนใส่อานารอบบุกุมฉันเป็นพระผู้อภิบาลของพวกท่านพวกบันีอิสราอีนเอ๋ยพวกยิวเอ๋ยฉันเป็นพระเจ้าหไหม และภาษาที่พูดอย่างนี้เนี่ยอัลลอฮ์ บ, บันทึกทั้งหมดแล้วก็เก็ บ, กบพรรณกะเพียุณอ่านให้นบีมูฮัมหมัดฟังไ อ, อยังคนถ้าไม่มีอัลลอฮ์อย่างเดียวเนี่ยมารยาทเลวมือใช้ภาษาผิดหมดเลยแ ล, แล้วดีเหรอใช้ใช้ภาษาผิดมันดีเหรออัลลอฮ์ใช้ภาษากับภรรยาเนี่ยภรรยา ย, ยังไม่พอใจเลยอะ่ะคนที่ทําอาหารกูแดกไปรวมแค่นี้เนี่ยภรรยายก็ยัง อะไรยเี้ยพูดเจ้าไม่เพราะเลยใช่ไมแล้วภาษาอย่างเี้ยอานารบุกุมุลอะลานี่ฟาโรห์พูดนะฉันเป็นผรวผู้อภิบาลของท่านทั้งหลายที่สูงสุดยิ่งอะเราไม่มันไดอะเก็บภาษาเอาไว้ในการปีกุรอันอียะอื่นอธิบายอย่างนงี้เอต่อมาครับวารอบบะอีกุมอ่าแล้วก็ อัลลอฮ์เนี่ยเป็นรอบเป็นพระผู้อภิบาลของบรพรพบูรุษของท่านนี่สอนแม่ตะการ บ, บุตรน่ะกาใจายมาเรามาอ ย, อยู่บนโลกใบนี้เรามีอัลลอฮ์น่ะเรามีเจ้าของน่ะแล้วก็พ่อแม่ปู่ยา่าตายายเราก็มีเจ้าของน่ะมีคุณผู้สร้างน่ะเห็นไหมเตือนเนี่ยเตือนสติแล้วก็สายด้วยอลัลอาวาีที่แตกก่ก่อน เก่ามาในอดีตที่ผ่านมาตั้งแต่ยุคไหนน่ะนึกเองก็ได้ยุคอะไรอาดัมอิบรอย ห, หมนวลอลว่านั่นนี้เาลาไปพูดสร้างหมดเลยนี่สอนเรียกรั้งเรืเร่องอักขิ์รั้นความสำเร็จในชีวิตของเราเนี่ยรู้เปล่าเขาวัดกันตรงไหนวัดตอนข้าวสวรรค์ไม่ใช่มีบ้านหลังใหญ่ชั้นสำเร็จแล้วลูกชังเรียนหนังสือเข้ามหาวิลาลัชั้นสาเร็จไม่ใช่ นี่แค่ testing ไรทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบเองมีลูกดีขอบคุณอัลลอฮ์ป่ะมีภรรยาดีขอบคุณอัลลอฮ์ป่ะมีรถหลายคันที่บ้านขอบคุณอัลลอฮ์ป่ะต้องนึกตลอดเวลาเลยครับฉะนั้นว่ารอบอัลลอฮฺรับบุคุมรับบากุมว่ารับเบอีกุมุลอัลลออัลลอฮฺเป็นรอบ เป็นพระผู้อภิบาลของสูงเจ้าและเป็นพระผู้อภิบาลของบรรพบาบูรุษของสูงเจ้าอัลอาวะลีที่มาแต่ก่อนนัน่นแหละข้ามดู ล, ลีลาคำว่ารับคาเดียวเนี่ยในคัมภีรอัลกุรอานมีเป็นร้อยร้อยคำร้อยร้อยคำนะเบคุรอานขออ่านให้ฟังนิดนึงรับบิญ์อัลนีฮาดะล บาร์ดาอามีนานี่ขอมาอ้าต่ออัลลอฮ์นะรับด้วยคำเดียวเป็นการขออย่างเดียวนะโอ้พระผู้อนิบาลของฉันเอย้ยโปรดทำให้เมืองมักกะเป็นเมืองที่ปลอดภัยนี่ใครขออบบัอิบรอฮีมของเรารับไหมรับรับบาลอาลามีนแปลว่าอะไรพระผู้อนิบาลแห่งสากลและจักรวาลชมมัลลอฮใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละรับบุรุฮิม ผู้อภยบาปของผู้ทรงเมตตาเสมอมาถึงให้มุมินได้อยู่ในสวรรค์หมดลูกหลานของเขาทําความดีไม่เท่าพ่อเขาอัลลอฮ์ก็จะอยู่ในสวรรค์หมดอัลฮัมดุลิลละนี่รอบคําเดียวรอบบุษมาว่าอัลลอฮ์เป็นรอบของชานฝารอบบุญ น, นา้าอัลลอฮ์เป็นรอบของมนุษย์รอบบุลฝรักรุ่งอรุณตอนนี้นะั่นนะที่ใครให้นะ เาหต้องนึกหมนเลยนะแสงสว่างมาตอนเช้าๆต้องอัลฮัมดุลิลละฝนตกมาคืนยกตัวอย่างมาคืนเนี่ยใครให้อ่ะถ้าอักิีดาผิดนิดเดียวเราก็ลงโทษนะโอ้ฝนตกมาคืนเนี่ยเพราะมีดาวอะไรอะ่ะดาวหางาบินผ่านมาอักีดาเคงผิดแล้วนะ มันต้องว่านี่เป็นความสามารถของอัลลอฮฺอัลลอฮฺให้มาอัลฮัมดุลิลลาฮฺแต่มีสาบับมีเหตุไงบางคนไงพูดเรื่องสาบับโยทั่งลืมบัลล้อมใช่ไหมอายุกตัวอย่างคนตายความตายเนี่ยใครใครใครกาหนดอัลลอฮ์กำหนดนะไม่จะตายเองนะวิญญาณมาได้ออกเองนะอัลลอฮ์ส่งมาลายก้ามาเก็บวิญญาณเมื่อตอนแรกๆเนี่ยมนุษย์เนี่ย เลาตายเนี่ยตายแบบแบบเนี้ยแบบมากระชากกระชากวิญ ญ, ญาณออกแล้วก็ตายเลยกำลั ง, น, งนั่งคุยกันเนี่ยดึงวิญ ญ, ญาณคนนี้ออกไปเ ข, ข, ข า, ข า, าออกนะ็ด่ากันมาด่าอัลละฮ์กันนะมาเลก้าการรายงา น, นอัลลอส์ซะคืออัลลอฮ์รู้แล้วอาา่รายงานบอกว่านี่คนเนี่ยด่าท่านตําหน่ท่านรู้เกินว่าเอาวิ ญ, ญญาณมาเฉย แล้วอ่าอ่านเดี so today, right? ๋ยวนี้จะจัดให้อ่ะท Man like ่านจะเปลี่ยนใหม่ให้มีสาเหตุแล้วก็ตายเมื่อก่อนสาเหตุไม่มีเราก็ส่งสาเหตุมาก็าเรียกว่าสาบอสบาสาเหตุมาแล้ววันนี้ใช่ไหมนะถางมาตายไหมตายโรคมะเร็งครับไม่ไม่นึกอะแล้วอ๋อโรคนี้โรคมะเร็งอโรคเบาหวานโรคอลวักวัอย่างงี้เปนต้นพอสาเหตุมาปั๊บเนี่ยลืมอะรกันหมดเลยนะครับ แต่มุมิงผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เลมไหมไม่ลืมนะลูกตายภรรยาตายเป็นการทดสอบจากอัลลอ์สุภาหัวบาตาลาอย่าไป น, นึกอะไรเยอะนี่ Allah, อัลลอ์ทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบทดสอบแล้วก็มีดูอาดูอีกมีคนตายมีขอดูอาให้มีนม า, าจานาซาไงอัลลอ์ Allah, นี่มันของอิสลามหมดเลยนะฮัมดีลิเลแล้วเอาต่อมาครับแล้วกนวนบีขอดูอะไรอย่างงี้คาว่ารบบีคาเดียวนะ รบบิโอ้พวกอนนของฉันเอ่ยอินนาก้ามีอิตาคออู่ฮาดัลกูร่านี่มหอยูรอเนี่ยนบีขอดุอานะบอกว่าอละะัลลอฮ์จ่าพรกพวกของฉันเนี่ยดูถูกอัลกูรานคือฮิจรอะแปลว่าไม่อ่านกูรานไม่จับกูรานเนี่ยนบีขอดุอานะช่วยแก้หน่อย พวกของฉันเนี่ยหันหลังให้กับอัลกรุรอานฮิจรอดไปได้นะทิ้งกูอ่านละเลยอัลกรุรอานนีถ้าบีขอตัวาตอลองค่ะอดช่วยเปลี่ยนแปลงให้หน่อยท่านคนที่ไม่อ่นานกุอานเนี่ยคนดีหรือคนเลวฉะนั้นมุสลิมจะอยู่ตรงไหนของโลกก็ตามต้องอ่านอัลกรุรอาน อย่าอ่านหนังสือให้อ่านคุรานก่อนอ่านหนังสือเล่มอื่นทั้งหมดหนังสือที่บางยูซุปเขียนนั้นหลายเล่มนะคนมีคราวอะไรนั่นนะก่อนจะอ่านหนังสือคนมีคราวต้องอ่านคุรานก่อนนะวัฒน์สารของใครแต่ใครที่พิมพ์ออกมานะครับต้องอ่านกุรานก่อนอ่านหนังสือเล่มอื่นทั้งหมดนะนี่ให้กําลังใจซึมใจแล้วกันอัลฮัมดุลิลละอัลตอมาลกับ فَكَذَبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْبَرُونَ فَكَذَبُوهُ فَإِنَّهُمْ لَمُحْبَرُونَ فَكَذَبُوهُ อัลลอฮฺอาิบายต์บอกว่าส่งนบีอิลิยามาเนี่ยใหม่ๆ <laughs> ไม่เชื่อหมดดีหมดเพต่อมาฟักัจจับบเขา โกหกว่านบีอิลยารตเนี่ยพูดโกหกนําเอาเรื่องโกหกมาสอนนี่เล่าให้นบีมอดฟังเพื่อให้รู้ว่านบีมาเอฟก็ถูกแบบนบีอิลยารตนั่นแหละญาติไปบอกนบีเอาเปล่าอิสลามไม่เอาแต่ตอนนี้องเอาแล้วนะฟักซาบุฉะนั้นโทษของคนที่หันหลังให้อิสลามอันต่อไป ฝ่อินอาุมดังนั้นแท้จริงพวกเขาจะละมัวบรูนจะถูกนำมาอยู่ต่อนหน้าอย่างแน่นอนคนที่หันหลังให้กับอิสลามหันหลังให้กับนบทีทั้งหมดในโลกนี้จะถูกนำมายืนต่อนหน้าอัาาาลลอสุบฮานะฮุบะตออลาจะต้องฟืนไหมตาแล้วต้องฟืน ฟื้นแล้วต้องมายืนอยู่ต่อหน้าอัลลอฮ์ทุกคนความจริงนี่นะคําว่ามุฮัดดรูเนี่ยมาอยู่มาอยู่ต่อหน้าเนี่ยคําว่าอยู่ต่อหน้าเนี่ยตั้งแต่โลกโลกโลกดุลยาแล้วนะคนที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ปฏิเสธศาสนาอัลลอฮ์เนี่ยนะอัลลอฮ์จะเห็นบาลามาอยู่ต่อหน้า สามโลกเลยนะคิดให้ดีอ่ะอย่างเนี้ยเกิดโรคอะไรตอนนี้โควิดสิบเก้า <c oughs> อ่ะนี่บลา ห, หรือเปล่าอยู่ต่อนหน้าเราเนี่ยแล้วคนมุดมินชาชายยปัญญ า, า, า, าเป็นหรือเปล่าถ้ายิงอัลชาถามนาบีว่าโรคระบาดเนี่ยเป็นยังไงนบีว่าอาจาบุญนี่เป็นการลงโทษชนิดหนึ่งเัาล่อจนลงโทษใครก็ได้ วาระมะตุลลิลมุมินีแต่เป็นราะมะสาหรับผู้ศรัทธาต่อหละเห็นยังครับฉันสำหรับคนกาฟิรีเนี่ยโรคระบาดคืออาซาบแต่ผู้ศรัทธาต่อหละมองเป็นราะมะเห็นยังนี่บัละมันมาเนี่ยมวดรูุตหน้าคุณเนี่ยนี่คุรานะท่านคนที่ปฏิเสธอิสลามอาซาบม่หยุดต่อหน้าคุณคุณยังมองไม่ออกเลยเนี่ย บนบุญยาแล้วตายอานอนอนู่ในโกโบกลามวหดรุนโทษกังกวนจะมาให้คุณเห็นนะ่ะเอา้าเห็นมาเลย์กาใช่ไหมชื่ออะไรมงการนะบอกชื่อด้วยที่อลัลอสเล่าชื่อมาเลย์กาน่ยมีอยู่ไม่กี่แห่งนะมาถอดเบญญามีมาเลยกามาใช่ไหมเอาเรื่องใหญ่ๆเนี่ย นอนอยู่ในกูโบคนส่วนใหญ่ไม่ไม่เชื่อว่าจะมีมาเลก้ามาสอบอ่ะอัลลอฮ์เล่าผ่านนาบีมีชื่อมาเิก้าเลยนะมุงกัรกับนาคิแล้วมาสอบสามเรื่องด้วยเห็นไหมยอยู่บุญไม่ยากให้ให้คุณอ่านมาเล่มหนึ่งอ่านสิแต่ในวันตอนนอนอยู่ในกูโบสอบแค่สามเรื่องกุณอ่านทั้งเล่มสอบสามเรื่องมาคิดดูสินี่ยอมายัง น ย, ย่อแล้ว ย, ยังยังยังยังยังไม่ใช้ปัญญาใครเลยมารับบูกะมันใครเป็นบาพุอธิบาลของท่านมันนบียูกะใครเป็นนบีของท่านมันอิมามุกะใครเป็นอิห ม, ม่มางของท่านย่อกุรานทั้งหมดเนี่ยสสบยุสอยู่ในสิ่งสามประการในกูโบโเป็นยังนี่ลามาแล้วถ้าตอบได้ผ่านหรืไม่ผ่านอัลฮัมดุลิลลาถ้าตอบไม่ได้ผ่านไหมไม่ผ่าน อาลาบะละละมุฮ์ดารูจะมาอยู่อยู่ตรงหน้าคุณหมดเลยไฟนรกอยู่ข้างหน้าคุณเห็นใบตานะเห็นใบใจก่อนอยู่ในกบูเห็นเห็นนรกโอ้แบบแบบนอนฝันไนงะนรกนรกนรกถูกประมานยังงั้นยังงั้นยังงั้นยังงั้นพอฟื้นขึ้นมาอีกเจอจริงๆริงเห็นไหมตลกลงว่าเลามี มีทั้งสามโลกด้วยนะโลกดุงยาก็มีหลังตายก็เจอเจอแบบฝันแบบแบบแบบฝันพอฟื้นขึ้นมาแลว้วมูฮหดอุลัอาซาบมาอยู่ต่อนหน้าคุณเห็นชัดจับต้องได้เลยฮัมดูลิลเบห์เห็นยังนี่ชีวิตของผู้ศรัทธาตอนละอ่านคุณอ่านได้ข้อคิดเยอะมากเลยฮัมดูลิลเบห์ฉะนั้นอยู่กับอิสลามใจไปเนาะนะอยู่กับอลัลลอฮ์พยายามอย่าเอาสุนนะของคุณอื่นมาใชา้เอาสุนนะของใคร ของนบีมอมัดอัลลอฮ์อ า, นนนานะมน้ำให้แข็งแร ง, งนึกถึงนบีเดื่มหน้าให้แข็งแรงทายังไงนึกถึงนบีนอนให้แข็งแรงทำยังไงตอนนอนด้วยมีน้ํนำนมาดด้วยท่าไหนท่าตะแคงขวาก่อนสักห้านาทีสิบนาทีแล้วค่อยเปลี่ยนท่าพอเรามีภรรยาเนี่ยจะว่าล่ะก็รับผิดชอบดูแลกันต่อไปอย่าลืมสุนนะนบีอัลลอ แค่อานน้ำร่างกายแข็งแรงดื่มน้ำร่างกายแข็งแรงทำให้หัวใจสงบร่างกายแข็งแรงหมดเลยนะทมดูเลยลอ่านต่อมาครับฟกากาซบูฟอินนาหุลมลามบรุนแต่พวกเขาได้โกโหกไอหูฮูเนี่ยคาซาบูหูมาถึงนบีอิลยส์นะ ฟาอินนาฮูมและดังนั้นพวกเขาและมุห์ดรลูลจะถูกนำมาต่อหน้าอย่างแน่นอนบนโลกดุนยาก็นำโทษไม่เห็นแต่คิดไม่ออกนอนอยู่ในโกโบเพิ่งจะอ้ออ๋อเพราะถูกลงโทษแล้วนะอุบามา um ยาวันดุลลาีนกะฟรูแลหกานุมุสลิมอยาอื่นนะบนอยู่ในโกโบ ถ้ารู้อย่างนี้ฉันเป็นมุสลิมก่อนตายก็จะดีอยู่บนโลกนี้ไม่บังคับให้เป็นไม่บังคับให้เป็นมุสลิมอัลลอฮ์ห้ามอย่าบังคับคนนะสอนอยางเดียวไม่เชื่อเรื่องของเองบังคับได้ไหมแต่ถ้าลูกเนี่ยบังคับได้แต่ไม่ใช่เปรี้ยงโดยไม่หน้าสามนั้นไม่ใช่พูดปเ พ, พ ร, ราะพอะแบบนบีมัลมาสอนญาตินบีท่มักานใช่ไหม คนสอนศาสนาถูกไล่หมดไม่เห็นเหรอัต้องคิดต่อเลยนะคนสอนศาสนาเนี่ยถูกดาหมดใช่ไมไ่ใช่เอาแปแค่นี้พอเอาต่อมาครับอิลลาิบัดัลลอฮิลมุคลซีน อิลลากับานัลลอฮิลมุคลัตินคนที่ไม่ถูกบลาอ่ามาอยู่ต่อหน้าเขาบลาบนดุนยาเนี่ยเราแยกแยกออกใช่มโรคโควิดมุมินมองเป็นราะมะเห็นยังนอนอยู่ในกุโบลบลามาไมมไม่ไ ม, ไ ม, มาเพราะเราตอบอัลลอฮ์ได้เราตอบ สุนัขนบีได้ก็ตอบอุไรนได้ใช่ไหมพอฟื้นขึ้นมาไม่มีการลงโทษใดๆทั้งสิน้นนะครับสาเหตุเพราะอะไรครับอิลลอิบาดัลลอฮิมุคลาซีนยกเวน้นอะไรยั ง, ยงครับบลรไม่มายกเวน้นผู้ที่ปวงเบาของอัลลอฮ์ที่อะไรครับ ที่จะปลอดภัยจากการลงโทษคือผู้ที่สุจริตมัน่นมีอีมานแบบมั่นคงต่ออัลลอฮ์เท่านั้นถ้าใครที่มีอีมานต่ออัลลอฮ์มั่นคงนะมุคลิสด้วยนะสะอาดบริสุทธิ์จริงใจต่ออัลลอฮ์เพียงอัลลอฮ์อย่างเดียวปลอดภัยหมดเลยละเข้าอยู่ลละอิลอิบะดิล ล, า, ลาฮิลมุค ล, ลิสมุคลิส่ทวา Art, หัวใจสะอาดบริสุทธิ์ต่ออัลลอฮ์เท่านั้นคาว่าอิคลาสเนี่ยผมอ่านในฮะดีษนะเช็คฮะดีษน้เนี่ยครบานีจานั่งสอนได้ความรู้เยอะอาจจะเล่าไปฟังอิคลาสเนี่ยอะไรบ้างอิคลาสในการกล่าวเลออิเลฮออิลลออเองจะไปสวรรค์พอกล่าวคำนี้นะอัลลอฮ์ให้คำนี้ขึ้นบนลนขึ้นข้างบนทะลุชั้นฟ้าหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เข้าถึงบาลังอัลลอฮ์เลยนะคนที่กล่าวคำนี้นะด้วยความบริสุทธิ์ใจละอีละอีละอีละเห็นไหงครับนี่นบีเล่าเองเรื่องที่สองอิคลาสฟินนียะเนียดมาฟังศาสนาเนี่เนียดเพื่ออะไรเพื่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์ผลบุญมีครับแล้วเราจะเล่าเรื่องของเราที่นั่งนั่งเรียนกุรญาณเนี่ย ให้กับมาลายกาี่อยู่รอบๆอ่าวว่าดูสิดูสิบาบของฉันเนี่ยเห็นมเขานั่งฟังกุรานกันศึกษาหาความรู้กันส่งมาลายกามายืนคุมให้ใช้ตอนเข้ามาเพ่นพ่านตอนนี้สะอาดบริสุทธิ์เห็นยังครับนี่ถ้าอิคลาสเนียดอย่างเดียวเรื่องที่สามอิคลาสในการนมาอัลลอฮฺอักบัรพูดถึนมาจะนาซด้วยนะคว่านมาเนี่ยนะนั่นอะย่ สตองสตางที่แจกแจกกันมาในช่วงนามาเนี่ยผมเสียวเหมือนกันะนะบางคนนะ้าเดียวเนี่ยผมมีเพื่อนหลายคนนะบอกมาวันนี้มาไม่คุ้มเลยว่าทาไมแจกได้ยี่สบาทอ่ะนี่เพื่อนเองอ่ะจะเอย่ยชื่อว่าใครนะนี่พราะท้านั่งคุยกับเพื่อเรารู้แล้วอ๋ออักบาสุราไนไม่แจกมันดาอย่างนี้เป็นต้นทาวาอีคลาสไหม คนถ้าอิคลาสนะครับไม่วุ่นกับเรื่องชื่อเสียงตำแหน่งเงินทองเท่าไหรก็ทำเพื่อัลลอฮ่ออัลลอ่ออัลลหมดต่อมาครับอิคลาสนะการสูดด้วยบางคนสูดเูื่อให้เลือดเลือดเลือดลมลงสมองยังไปคิดอะไรนั่นล่ะท่านสะดวเพื่ออัลลอฮฺไอผลพอได้อัลลอให้เองไม่ต้องไปหัวมันหรอกกับนักวิทยาศาสตร์ก็ตอนนี้เขาเาเล่านะผนฝันนฟบ๊ในผมนั่งดูนะเวลาสูดดปั๊บเนี่ยเลือดมันเข้าทีซโคหมดเลยนะ่ย โอ้ห uh huh. บางคนนึกฉันสู้อยู่เพื่อให้เลื่อนเดินมันจะอีกลาสนะ่ะเดินออกกำลังกายทีสุดของราการ้าให้ร่างกายแข็งแรงมาอีกลาสนะ่ะเอ็มต้องเดินระวังรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ซิกรุลล่องไปด้วยเดินเดินเดินเดินนี่ะชีวิตต้องเป็นแบบนี้นะครับอีกลาสหัวใจผูกพันกับมาสยิดเป็นกรรมาการโซเราเนี่ยต้องนึกยังไงครับฉันทางานผูดูแลบ้านของอัลลอฮ์ เพื่ออัลลอฮ์หัวใจที่ผูกพันกับมัสยิดบาเดินมานมัสติมัสยิดเพื่ออัลลอฮ์ต่อมาครับใครที่ออกจากบ้านเดินมามัสยิดมีรางวัลตอบแทนจากอัลลอฮ์ต้องอิคลาสหมดเลยนะครับแล้วก็ขณะที่นั่งรออยู่ในมัสยิดต้องรอมัสยิดร่องรอรอนมาสนี่ต้องต้องต้องต้องอิคลาสด้วยต่อมาครับรับอาจารย์ก็ต้องอิคลาสด้วย ไม่รู้ว่าคนอาซาเนี่ยมัดเนี่ยก่าวอาซาเนนะ่ต้องรับอาซาหด้วเปล่าต้องรับหมดนะไม่ใช่ไม่รับนะอัลลอฮฺกบะละอัลลอฮฺอักบรแล้วก็นื้อเจ้าไอบอกแม่บ้านจะอยู่ที่บ้านต้องฟังนะแต่คุยได้ไม่คุยได้คุยไปฟังไปไงใช้ได้นางนบนีไม่ตำหนิอย่างอาซาวันสุกเนี่ย พอเข้ามัสยิดแล้วนี่นะอาจารย์ทุกเวลาต้องฟังหมดยกเว้นวันศุกร์ไม่ต้องฟังคนที่มาที่หลังกําลังอาจารย์อยู่ให้รีบนมาเลยอย่าเลือกตัวมือจกักรเบราะเป้ามายจะฟังกุฎบะตรนี่นบีสอนอธิบายไว้นะครับแล้วต่อมาครับอดทนต้องมีสบายไหมต้องมีต้อง ม, มีอิคลาสไหมอดทนก็ต่อเพื่ออลัลลอฮ์เองอ่ะเอาต่อมาครับสนดนแล้วก็ก่อเพื่ออลัลลอฮ์นี่อธิบายครังว่าอิคลาสอย่างเดียวนะ อัลมุคลาซีนอัลลอฮฺอักบารรักใครกันก็ต้องเพื่ออลัลลอฮ์รักพ่อรักแม่รักลูกรักภรรยาก็ต้องเพื่ออลัลลอฮ์คำว่าอิคลาสเนี่ยมุคลิสเนี่ยนะต่อมาครับรับชายพ่อแม่ดูแลพ่อแม่ตักน้ําให้พ่อแม่ที่เสื้อพ่อให้พ่อใส่ต้องเพื่ออลัลลอฮ์ให้หมดต่อมาครับลูกจ้างเงินลูกจ้างที่เราจ้างคนมาทํางานเนี่ย แล้วก็ให้เงินเขาไปเนี่ยต้องอิคลาสด้วยนะถ้าอย่างนั้นทําให้อิคลาสนะเงินที่เป็นค่าลูกจ้างทํางานเนี่ยคุณละหมื่นสองหมื่นไม่มีไม่มีไม่มีรางวัลเลยนะถ้าไม่อิคลาสพรมีประวัติเป็นอย่างนี้วิชายู่คนหนึ่งเนี่ยลูกจ้างเนี่ยไปก่อนแล้วก็ยังไม่ได้รับค่าจ้างหายไปประมาณยี่สิบกว่าปี แล้วเจ้าของนี่นะอเอาเงินเงินค่าจ้างเนี่ยไปซื้อแพะไว้คู่หนึง่งสิบปียี่สิบปีเนี่ยแพะมันออกลูกเท่าไหร่อะเป็นพันๆตัวเลยผ่านไ ป, ปนยี่สิบปีน่ะลูกจ้างคนนี้มามาขอเงินค่าจ้างที่ติดเอาไว้เมื่อสิบห้าปีสี่แที่วเนี่ยเจ้าของบอกว่านั่นเนี่ยฉันซื้อแพะ วายอยู่กลางทุ่งเลยนะนั่นนั่นเนงิเนของคุณหมดเลยมันฉันเอาไปนะบอกฮะก็ออเอาไปสิมันขนได้หมดเลยเนะนี่ยอีกลาสเห็นยังครับถาว่าช่วยได้ไหมช่วยเขาได้ให้เข้าสวารรค์ได้ใหญ่เจ้าของคนนี้นะ่ะเป็นน้องเห็นยังครับอะเลี้ยงแพะให้เขาอ่ะมันจะนึกว่าของมันหรอกมันม า, าขอบอกนี่พูดตรงๆเนี่ยเงินคุณน่ะนะเนี่ย ให้เงินเดือนของลูกจ้างมีรางวัลตอบแทนแต่ต้องให้ด้วยความบริสุทธิ์ใจมานั่งเรียนศาสนาต้องเพื่ออัลลอฮ์นะครับพี่น้องขอดูอาก็ต้องสะอาดใจนอ บ, น, อบอน้อมถ่อมตนก็ด้วยความบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์อัลลอฮ์อัลกบเนี่ยอิคลาสเนี่ยบริสุทธิ์ใจผลและบุญของคนที่ของคนที่ทําความดีด้วยความบริสุทธิ์ใจก็คือ i l l a i b a d a l l a h i l Muklasin, t a k a a balas. a n a a i bawah, a a m u b h a l a s t i a k a i r a s a t di u n i a di akhirat, tidak ada balas. Tidak ada balas. Tidak ada balas. Tidak ada balas. Tidak ada balas. Tidak ada balas. Tidak ada balas. Tidak ada balas. Tidak ada balas. Tidak ada balas. Tidak ada balas. Tidak ada balas. Tidak ada balas. Tidak ada b a l s t i d a i t i a a l l a s s t b a a s a k ada t a a l a a t i a k a a k a t a k a t a k a k a a a l a i d i d i l a k a i d i d วาตาลกนาอะไหฟิลอาคิรีในยันสุดท้ายนะครับและเราได้ตาลก้าเราได้ทิ้งได้ละเราได้ละประวัติของนบีอิลยาสทิ้งเอาไว้บนโลกใบนี้ให้คนได้พูดถึงในทางที่ดีอะไร เ, เรื่องราวของนบีอิลยาส ฟิลอาครินในหมู่ชนรุ่นหลังอาคิดชนรุ่นหลังนบียัสเสียชีวิตไปแล้ว ถ, ถ้าเชื่อตามคมพีไบเบิลเนี่ย็ตารอบบอกว่าอยู่บนชั้นฟ้าแต่เราไม่พูดพ่อคุณอ่านไม่ได้พูดกันนะดังนั้นประวัติของนบีอินยาสเนี่ยอลัลลอย์ได้เก็บเอาไว้ให้คนรุ่นหลังได้พูดถึงในทางที่ดีหนึ่งก็เป็นนบี สก็ทํางานเผยแพผ่ อ, พอิสลามวิญญาณอดทนสูงอย่างนีมีตัวถูกถั่วรังแกไหมแน่นอนไม่มีนบีคนไหที่ไม่ถูกรังแกฉะนั้นเอาประวัติของบรรดานาบีมาเล่าให้นบีมูฮัมหมัดฟังว่าฉันจะเก็บประวัติของคนดีๆให้คนรุ่นหลังได้พูดถึงตัวเรากำลังกันผมขออนุญาแล้วนะ Allahumma จงทำให้ล um ja ิศานศรีดีในอ้ายขีบเบื้องนบีอิบราฮีมโอ้อัลล a h โปรดให้คนรุ่นหลังๆพูดในทางที่ดีๆเกี่ยวกับตัวเราต้องขอด้วยนะเ ร, ยนเรียนมาแล้วเนี่ยแหละเช็คดูสิคุณลูกเอวตัวไหนบ้าง Allahu um maje'almi lisan as-sidqin fil akhirin وجعلني ميبر رستجان نتينايم และทำให้ฉันผู้รับมรดกแห่งสวนสวรรค์ขอให้เข้าสวรรค์ด้วยแล้วก็ขอให้อะไรนะให้คนรุ่นหลังพูดถึงพวกพวกทุกทรมานในทางที่ดีๆไม่ให้ดา่ามังก็ดาาคนด่ามัมีไหมมีแต่ให้คนชมเยอะหน่อยก็แล้วกัน อขอุานให้ไปน้องอ่านี่ขออุาให้ลูกรบบิฮับเลมินัสซเลฮยิงครับนี่เมืออัลลอ์เล่าให้เราขออุทาแบบนบีอิบราฮิมรับบิฮับลมินัสซลิให้ลูกชาเป็นลูกที่โซเลให้หมดขอเอไปน้องรบบฮับลีมินัสซลฮินรบบฮับลีมินัสซลฮินอัลล์ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ و َ با ن ฺ ا ์ดีษัลลอ ف ฺอิ ك َ ا อัَลอฮฺอัลَอฮฺَัลลอฮฺอัลลอฮฺ